ความวุ่นวายของบ้านป้าจีบลุงโป๊ะเงียบลงไปแล้วศพป้าจีบก็ได้เผาไปอย่างเรียบร้อยความเศร้าสศกของลุงโป๊ะก็คงจะมีอยู่บ้างซึ่งเป็นของธรรมดาพี่ถนอมก็หายหน้าไม่ได้เยี่ยมมาที่บ้านผมเลยคงเนื่องมาจากงานที่บ้านสุ่มตัวเมื่อป้าจีบตายไปพี่ถนอมก็ต้องรับเหมาเอาไว้คนเดียวส่วนงานานานั้นลุงโปะก็ต้องบุกเดี่ยว ส่วนไอ้จ้อยที่เป็นบ้าขาพิการมันก็ร้องโวยวายไปตามฤทธิ์ของมันที่กูตีหลังเล็กท้ายครัวที่เคยอยู่จนกว่าจะสิ้นใจลุงโนดไปทุระที่ไหนก็ไม่รู้กลับมาไม่ทราบโดยการเดินเท้าบ้านของเราเมื่อหมดหน้าน้ำแล้วทุกคนก็ต้องพึ่งขาตัวเองโดยเดินบกส่วนเรือที่เคยใช้พายในช่วงน้ำขึ้นก็ต้องเข็นไปไว้ขึ้นบนบก ลุงโนดเดินผ่านหน้าเรือนของเราแล้วก็ได้หยุดยืนพูดกับผมแล้วก็ตาแล้วก็ยายที่กำลังร่อนรำข้าวส่วนผมกับพี่พุกก็กำลังตําข้าวอยู่ทางบ้านผมไม่ได้ยอมส่งข้าวไปโรงสีเพราะว่าข้าวสารตาเองกินอร่อยกว่าข้าวสารโรงสีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังได้รำข้าวไว้ใช้ในการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงปลาที่หลังบ้านท่าทางของลุงโนดคุยกับตาดูขึงขังผิดตา ผมจึงหยุดตำข้าวเพื่อฟังลุงโนดพูดท่านพระครูท่านว่าจนใจจริงๆถ้าไม่รับไว้ก็จะเคืองใจกันหลายอย่างลุงโนดพูดเออก็จริงของท่านเว้ตารับคำเอาแล้วนี่เอาศพนอนแผ่ไว้บนสารานั่นเถอะตาถามผมกับพี่พุกได้ยินคำพูดของตาคำนี้ชักสะดุง้งเ อ, อ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกหูศพใครกันที่ไหนก็ทิ้งไวย้ยางงั้นนะสิ เจ้าของศพเาว่าตอนเช้าจะมาจัดการว่าจ้างคนที่วัดต่อลงแต่นี่ก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยเห็นจะเป็นช่วงบ่ายละมั้งลุงโนดว่าอุบะเมื่อคืนก็ทิ้งศพไว้เอกาอ๋อเปล่ามีคนเฝ้าอยู่สองคนลุงโนดบอกมันยากใจพระครูท่านไม่ใช่เล่นธรรมดาศพจะมาวัดมันก็ต้องมีใบมรณบัตรมาด้วยนะแต่ว่าเนี่ยรีบเอาศพมาก่อนมันก็ยากกับทางวัดจะรับไว้มันผิดระเบียบ แต่ทิฏฐานพี่ชายทิดกล้าคนที่ตายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันกระทานหาันคนตายกลางทุ่งจะเอาเข้าบ้านก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอามาไว้ที่วัดก่อนกว่าจะได้บอกกำนันแล้วก็อำเภอเนี่ยก็เห็นจะเป็นช่วงบ่ายนั่นแหละเอ้ข้าว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเว้ยตาพูดใครจะว่าตายโดยถูกคนแอบยิงหรือว่าไปปล้นเขาแล้วก็ถูกเจ้ารับยิงตายก๊กนี้มันก็รู้ๆกันอยู่นะพวก ถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะตั้งเนื้อตั้งตัวร่ำรวยแต่ไอ้อนก่อนๆมามันก็เสือๆทั้งนั้นตาพูดทั้งหมดที่ลุงโนดพูดกับตาก็ได้ความว่าลุงโนดไปธุระผ่านวัดมาพบกับท่านพระครูก็เลยรู้เรื่องการตายของทิกล้าว่าถูกลอบยิงโดยกำลังขี่มา้าเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านเขาแต่พี่ก็เอาศพมาไว้ที่บ้านเราก็เพราะว่าบ้านเขาอยู่หนองตาโลย้อนกลับไปก็จะลบาบาก แต่ว่าเรื่องไม่มีใบมรณะบัตรนี่มันก็ลาบากกับวัดอยู่แต่เรื่องนี้ผมกับพี่พุกก็เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเหลียวมองไปทางวัดหน่อยนึงก็เห็นเ ง, งียบๆก็หันหน้ากลับมาก้มหน้าก้มตาตำข้าวต่อไปตกายวันนั้นเรามองไปทางวัดก็เห็นคนขี่ม้ามาหลายตัวคงจะเป็นพวกเจ้าของศพน่าสงสยัยตามที่ตาพูดบอกว่าก๊กนี้เคยเป็นโจนเก่าก็เลยมีนิสัยที่ชอบใช้ม้าอยู่เป็นประจำแต่ว่าความจริงแล้ว ทุ่งบ้านนี้พอพ้นหน้าน้ำไปแล้วอะไรๆมันก็ต้องพึ่งบกถ้ามีม้าใช้มันก็เร็วทันใจในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนตาก็เคยพูดบอกว่ากกนี้มีฐานะดีก็น่าจะใช้ม้าได้อย่างสบายพวกเรามองเพียงดูๆเท่านั้นก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักหากแต่อยู่ใกล้วัดพอมองเห็นกันก็ต้องเห็นอะไรอะไรบ้างเป็นธรรมดา ตกกลางคืนเขาก็มีสวดกันที่ศาลาแล้วก็สวดกัน3ามคืนแล้วก็เอาลงฝังไว้ที่ป่าช้าไม่ได้เผาตามที่ชาวบ้านเรานิยมทำกันโดยยึดถือเอาว่าการเผานั้นเป็นการตัดห่วงถ้าเก็บศพไว้มันก็ยืดเยื้อไปวันข้างหน้าและเมื่อศพที่เราเห็นอยู่นั้นเป็นไปโดยความเรียบร้อยก็เห็นจะมีใบมรณบัตรมาให้ทางวัดเรียบร้อย เรื่องที่ผมรู้คราวหลังนี้คนตายนั้นถูกลอบยิงตายจริงๆแต่ยังเอาตัวคนยิงไม่ได้เพราะว่าเป็นเวลากลางคืนจะมองเห็นหน้าเห็นตากันได้อย่างไรผู้ตายขี่ม้ากลับจากธุระกับลูกน้องอีกสองคนและผู้ที่แอบยิงก็ขี่ม้าเหมือนกันพอยิงตกม้าแล้วผู้ที่ยิงก็ขี่ม้าแอบหนีเข้าไปในความมืดลูกน้องผู้ตายได้แต่เพียงยิงตามไปแบบสุ่มๆไม่กล้าจะขี่ม้าตามไปให้เกิดตายกันอีก ตัวผมนี่มันมีนิสัยอยู่ว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ก็อดเก็บเอามาคิดไม่ได้ใครจะเรียกผมว่าไอเรื่องขี้กลัวก็ตามเถิดนอนกลางคืนอดจะคิดถึงไอทิดกล้าที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเราก็นึกเสียวสันหลังอย่างไรพี่ลึกศพตายโหงผู้ใหญ่ว่าตายอย่างไม่สงบวิญญาณก็มักจะวนเวียนตกกลางคืนจิตใจมันก็หวาดหวั่นไปทุกคืนยิ่งตอนกลางวันตาพูดถึงเรื่องทิดกล้าบ่อยๆในแง่สงสัยพี่น้องกกนี้ ไอคนที่มาแอบยิงอาจจะคุมแค้นในเรื่องหักหลังกันอย่างไรไม่มีใครจะรู้หรือแอบไปปล้นมาด้วยกันแล้วก็หักหลังฮุบเอาสักคนเดียวก็เลยตามมาแก้แค้นผมฟังแล้วก็เกิดวาวุ่นใจพี่ลึกซ้ําร้ายตอนกลาง ว, วันวันหนึ่งก็มีคนสองคนขี่ม้ามาหยุดที่หลังบ้านตะโกนเรียกชื่อตาของผมอยู่โวกโวกใครกันวะไอเรื่องตาผมร้องถามมาจากห้อง ตัวผมเองจะไปตอบได้อย่างไรมองไปก็ไม่เคยเห็นหน้าข้าตากันมาก่อนตาก็เลยลงบันไดเรือนมองลอดไต้ถุนเรือนไปยังหลังบ้านใครน่ะมาเรียกฉันจำไม่ได้ใครกันละ่ะตาตะโกนถามไปทิฏฐานเองจ้ะทิฐานพี่จะทิดกล้าไงเสียงตะโกนตอบมาตาได้ฟังแล้วดูสีหน้าไม่ค่อยสดใสนะักทีท่าไม่ค่อยอยากจะพบปะนะักขี่ม้าอ้อมกระโดงปลาเข้ามาแฮตาตะโกนบอกไป และในครู่นั้นเองมาทั้งสองตัวก็เข้ามาถึงลานดินหน้าเรือนผมรำคาญหมาที่เห่าแซงเสียงคนอยู่นานแล้วยิ่งมีม้าเข้ามาถึงในบ้านก็ยิ่งครม้มถมเทใหญ่จึงรีบไล่ขับมันไปสะทางหลังบ้านตาได้เชิญทั้งสองขึ้นเรือนเขาผูกม้าไว้คนมโยมแล้วก็ขึ้นเรือนไปไปไหนกันมาล่ะตาถามยายยกเชี่ยนหมากให้มาที่วัดนี่ละจ้คนที่ชื่อทิศหาร พูดแล้วก็ชี้ไปที่ชายหนุ่มอีกคนเนี่ยเจ้ากล่อมน้องคนเล็กเฮ้ยไหว้นะแมนซะสิเองเกิดไม่ทันหรอกเมื่อรุ่นรุ่นข้าเนี่ยเคยคบหาสมาคมกับนาแกมาคนที่ชื่อกล่อมยกมือไหว้ตากับยายน้าแมนคงไม่รู้เรื่องไอ้กล้ามันถูกลอบยิงตายในทุ่งนี้เมือ่อสองสาวันมานี้ฉันเนี่ยก็เลยเอาศพมาฝังไว้ที่วัดนี้ทิดหานพูดเอ๊ะ e ตาธรรมร้องออกไปอย่างว่าไม่รู้เรื่องมันเป็นเรื่องอะไรกันยังไงล่ะ ตาพูดแล้วก็จ้องหน้าทิฏฐานว่าจะเอาความจริงมันก็ยังเอาตัวคนร้ายไม่ได้ฉันนะ่อยู่บ้านเจ้ากล้าเนี่ยเขาไปธุระที่อำเภออุทยัยขากลับก็ข่ำโข อ, อยู่ก็เลยถูกรอบยิงตายมืดแปดด้านเอาตัวใครมาก็ไม่ได้อยากมาถามว่าเมื่อสักสองสามคืนมาเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าใครผ่านมาทางนี้บ้างไหมเอ๊ไม่ได้ยินเลยนะเว้ยตาพูดแล้วก็หันมาดูผมแล้วก็พี่พุกเองได้ยินบ้างไหมวะ ไม่ได้ยินเลยจ้ะฉันก็นอนดึกบรรยากาศเงียบๆแบบเนี้ยถ้ามีใครเดินผ่านไปไม่พ้นหูฉันไปได้หรอกพี่พุกตอบนี่แหละฉันก็เลยควานหาทิศทางไอ้คนร้ายอยู่ว่ามันผ่านม้าไปทางไหนบ้างเจ้าเด็กที่มากับเอ้กล้ามันก็ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันยิงคนขับม้าหนีไปทางทิศใดมันมืดเหลือเกินทิศฐานพูดเออแล้วไม่มีใครติดตามบ้างเลยเหรอโอ้ยใครจะไปตามหละ่ะมืดยังกะเข้าถ้า มันไม่ฉลาดเลยถ้าบุ่มบามตามไปก็ได้แต่ยิงสุ่มๆไปสองสามนัดเท่านั้นเราเองก็ยังจับทิศทางที่มันผ่านไม่ได้เราสงสัยมันหลายพวกด้วยกันทิศฐานว่าแล้วก็บ้วนน้ำหมากด้วยกิริยางุ่นง่านใจแล้วทางอำเภอว่ายังไงบ้างล่ะอืมก็ยิ่งมืดไปกว่าเราอีกนั่นแหละนี่แล้วจะมาทําไมที่วัดเลยเนี่ยมาเยี่ยมศพเจ้ากล้าเนี่ยสิเอ้ายังไม่ได้เผาเหรออ๋อยังหรอกจะเอาไว้จนกว่าจะได้ตัวไอ้คนร้ายคนอย่างเราอ่ะนะ ถ้าแก้มันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางจับกลุมหรือฆ่าแกงกันมันก็เลิกไม่ได้ที่ฐานพูดอย่างหน้าหิ้มหมในตาดุขึ้นมาทันทีผมนึกมองเห็นภาพขึ้นมาทันทีตามคำที่ตาเคยพูดบอกว่ากกนี้เป็นเสือเก่าเดี๋ยวนี้แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วทีท่าแล้วก็ดวงตายังบอกนิสัยเก่าฉายแววเดิมสัญชาตญาณเดิมแล้วนี่ฉันมาเส้นไหว้หลุมไอ้กล้ามันนะแม้ ให้มันไปเข้าฝันหรือว่าดนใจบอกว่าใครทําร้ายมันบอกมาเลยทิฏฐานพูดเน้นเสียงข้าเองก็จะมาจนกว่าจะปลุกเอกล่าแล้วก็ให้มันมาบอกว่าใครทําร้ายมันได้นู่นแหละเอกล่ามันจะตายไม่ได้นะมันจะยังไม่ตายจนกว่าจะแก้แค้นกันให้สาสมทิฏฐานพูดจบทุบหัวเข่าดังปึกฉันก็สืบเสาะทิศทางที่ม้ามันผ่านก็ควานหากันไปก็เท่ากับช่วยตํารวจเขาด้วย ที่ฐานพูดจบแล้วก็ยกมือไหว้ตาเป็นการลงเอ่ยเอาอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรฉันต้องกราบลาหละนะแม้ทั้งสองแก้มาแล้วก็โดดขึ้นมาอย่างว่องไวด้วยกิริยาที่มีแค้นอยู่ไม่หายครู่นั้นเองมาทั้งสองก็ออกพ้นบ้านเราบ่ายหน้าไปทางอำเภออุทยัยนี่มันจะก่อกวนปีศาจให้วุ่นวายละไอ้พวกนี้ตาพูดเมื่อเขาไปกันแล้วลุงโนดก็ขึ้นมารวมกับพวกเราผีไต้โหงนะ ปลูกไปเส้นมันได้ยังไงยายพูดอย่างวุ่นใจก็นั่นนะสิเวรจริงไอ้พวกนี้อายุเข้ามาป่านนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรสักทีมัวแต่วกวนก่อกรรมก่อเวรมันก็ผู้ใหญ่และไม่ใช่เด็กๆอะไรอะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของตำรวจเขาดีกว่าไอทําเองน่ะมันไม่พ้นการฆ่าการแกงกัน ร, รอกตาพูดแล้วก็สันหัวเอเจ้าคนนี้น่ะมเป็นพี่คนตายแล้วยายถามใช่นะสิ ก่อนนี้มันก็เสือด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ามันเป็นผู้ใหญ่บ้านที่น้องตาโลนั่นแหละแต่ว่าการเป็นผู้ใหญ่บ้านของมันน่นะใช่ว่าจะลบล้างนิสัยเดิมไปได้ก็หาไม่ถ้ามันยังไม่มีเรื่องขุนใจมันก็วางตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถ้าลงมันแค้นขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตำแหน่งนั้นเนี่ยจะไปคุ้มหัวอะไรมันได้ตาออกความเห็นเพราะเคยรู้จักกันมาดีแต่เก่าก่อนเมื่อตายังเที่ยวเตรอยู่ แต่ว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ร้ายเท่าจะมาระยำปลูกผีปลูกสางขึ้นมาให้ตื่นหรอกนะมันผีแต่หงแ่แท้ๆแถวนี้ไม่ใช่ตำบลบ้านมันมันเป็นตำบลเราเสือกมาทำให้วุ่นวายยายบน่นแล้วก็มองหน้าใครแต่ใครถ้าใครมองหน้าผมแล้วก็ไม่ต้องพูดละครับมันก็มีหน้าจอยซีดเป็นไก่ต้มไปเท่านั้นอายุผมมันก็เพียง15หยก 16, ยกสิยนันยจะเอาอะไรมาตั้งสติลรอส่วนตัวของพี่พุกเองยังหนุ่มยังแน่นอยู่ก็จริง แต่เขาก็เคยเป็นทหารมาแล้วคนที่อ่อนๆในกลุ่มนี้ก็มีผมกับเจ้าแฟงเท่านั้นข่าวการปลุกผีที่หลุมทิดกล้าได้รู้กันไปทั่วในละแวกนั้นต่างคนต่างไม่พอใจแล้วก็ทุกใจไปตามๆกันและเกือบทั้งวันก็จะมีหนุ่มหน้าหิ้มห่ยมขี่ม้ามาว้ายศพแล้วก็ปลุกเส้นกันอยู่เสมอ ชาวบ้านเราทั้งรู้ทั้งเห็นแต่ไม่มีใครเล่าจะกล้าไปทักท้วงแม้แต่ท่านพระครูยังพูดไม่ได้เพราะว่าเขาอ้างว่าศพญาติของเขาเขาก็มาเส้นมาไหว้กันตามความเคารพนับถือต่อมาใครๆในระแวกเราไม่มีใครผ่านวัดในเวลาเย็นย่ำํำค่าคืนเลยเพราะทุกคนหวาดหวั่นหลุมไอ้กล้าด้วยกันทุกคนพอพละเพลสดวงอาทิตย์ลับทุ่งไปแล้วสุนัขที่วัดก็ชักจะหอนกันเสียงยาวเยือกเย็น คล้ายกับว่ามันเห็นอะไรขึ้นแล้วก็พากันเอาสุนัขตามบ้านพากันหอนรับไปด้วยเอาละถ้าจะว่ามันมักจะหอน ต, ตามๆกันไปแต่ก่อนที่ยังไม่เกิดเหตุนี้ทำไมไม่มีเสียงอย่างนี้เล่าพอตกค่าผมก็เลยถือเอากดเกณฑ์เลยจะไม่ลงจากบันไดเรือนโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งเจ้าแฟนก็งดพบกันไว้พอเย็นก็รีบทาอะไรๆที่ข้างล่างให้เสร็จแล้วก็เก็บขึ้นบ้านหมดพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ไม่ยอมลงจากบ้านอีกเลย พี่พุกเข้าใจกล้ากว่าผมเขาเคยเป็นทหารมาตอนค่าๆเขายังคุยที่เรือนลุงโนดแล้วก็เรือนใครใกล้ๆ แ, แต่ก็อยู่ไม่นานนักทุ่มสองทุ่มก็กลับขึ้นเรือนเพราะหมาทั่ ว, วไปชักจะหอนรับกันน่าสถานใจทําไปทํามาหมู่บ้านที่ใกล้วัดชักจะไฟมืดเมื่อยามค่ําคืนเพราะว่าปิดประตูหน้าต่างเลยหมดแสงไฟที่จะมีเล็ดลอดออกมาบางบ้านก็นอนเลยก็มีเลยดูเป็นตําบลที่น่าเกรงกลัวพูดผีปีศาจไปเลย ตากับยายเห็นใจแล้วก็รู้ใจผมไม่เคยใช้ผมลงไปจั ก, กเรือนเมื่อเวลาค่าคืนยายก็เป็นคนหวาดหวาดทางผีผีสังๆเท่ากับผมยิ่งมามีการเส้นแล้วก็ปลุกผีแต่หงกล้ใกล้บ้านเช่นนี้แกก็ยิ่งไม่สบายใจสำหรับผมนะเรื่องนักเกียรติยังไม่ทันหายกลัวเกิดมาเรื่องของไอ้ทิศกล้าเข้าไปอีกนึกถึงกรุงเทพเขาช่างสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟทั่วไ ป, ไปไม่น่ากลัวอย่างบ้านเรามันช่างมืดแล้วก็เงียบซะจริง หมูหมากาไก่ก็พานช่วยกันหอนผสมกันเสียงใบไม้ถูกลมไหวดังเกลียวกรูในยามเงียบหมาทางวัดก็หอนขึ้นเสียงยาวแล้วทางบ้านก็หอนรับขึ้นผมขดตัวอยู่ในมุง้งนึกไปว่านี่คงเป็นเวลาที่ทิดกล้ากำลังจะ ก, ก้าวขึ้นจากหลุมค่อยๆดัดตัวให้หายเมื่อยที่นอนนิ่งอยู่ในลงมาทั้งวันทั้งคืนคิดไปก็หนาวสะท้านหัวอกึ้นต่อมา ผมได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าวิ่งอยู่ที่ชายทุง่งไกลบ้างใกล้บ้างผมนี่ตัวสันเทาแน่ใจว่านั่นเป็นเสียงฝีม้าของทิดกล้าและทิดกล้ากำลังควบขี่มา้าเพื่อควานหาตัวผู้ที่มาทำร้ายเขาตื่นเช้ามาผมกระซิบถามพี่พุกว่าเมื่อคือนเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าม้าหรือเปล่าผมถามยายยายก็บอกว่าไม่ได้ยินแต่ว่าแกมองหน้าผมด้วยดวงตาที่ลุกวาว ผมได้ยินคนเดียวจริงๆแล้วก็ได้ยินเต็มหูเลยทั้งหมาเต้ถุนก็หอนขึ้นมาเสียงฝีเท้าม้าก็ดังผ่านไปในขณะนั้นผมแทบจะจับไข้แล้วก็ในคืนหลังต่อมาอีกเสียงนั้นแล้วก็อื่นๆก็เป็นไปอย่างคืนก่อนแต่ว่ารุ่งเช้ายายรับว่าได้ยินอย่างผมแล้วก็ยังได้ยินม้าร้องอย่างขนองลุงโนดก็รับอีกคนว่าได้ยินเช่นเดียวกันจะเป็นอันว่าหูผมแว่วไปคนเดียวไม่ได้ส่วนตานันนิ่งไม่ออกความเห็น จะได้ยินหรือไม่ได้ยินแกก็ไม่ได้พูดดูแกยากแต่สังเกตว่าแกคงใจคอไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันกันกบเราแกทำอะไรคนเดียว็เงียบๆคือเอายันในตู้ออกมาแขวนที่ชายคาบ้านผมยิ่งแน่ใจว่าตาเองก็รู้อะไรอะไรทั้งหมดหากแต่เป็นพ่อบ้านก็ย่อมต้องทำกิริยาให้หนักหน่วงเยือกเย็นไม่หวาดหวั่นแต่สิ่งใดง่ายๆเพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวแกลูกบ้านมีอะไรที่ทิ้งอยู่ข้างล่าง ก็เก็บขึ้นบ้านซะตั้งแต่วันนะโว้ยไอ้เรื่องตาร้องบอกผมและตัวเกเองก็คว้าอะไรต่ออะไรขึ้นบ้านเกี่ยวกับของที่จะใช้สอยในตอนกลางคืนคำพูดของตาและการกระทาของตาทำให้ผมหนาวใจนักแสดงว่าเรื่องต่างๆมันถึงขนาดนี้แล้วนิะนั้นคนชั้นตาจะไม่เป็นไปอย่างพวกเราแน่นอนเย็นค่ำลงตาได้สั่งปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูอ้างว่าอากาศหนาวปิดซะดีกว่าเปิด เสียงฝีเท้ามา้าในยามดึกนั้นมันอาจจะเป็นไปได้สองนายนายหนึ่งอาจจะเป็นม้าของทิฏฐานเที่ยวควานหาความจริงของคนร้ายว่ามาทางไหนกันแน่นายที่สองเป็นม้าของทิฏกล้าละพอคิดถึงข้อที่สองเนี่ยโอ้หลับตาไม่ลงเลยถึงกับครางออกมารุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าพระที่วัดองค์นึงเห็นทิฏกล้าเดินอยู่ในวัดอย่างช้าชา้วนไปวนมาแล้วก็ออกจากวัดไปไอ้กล้าชักจะยุ่งซะละตาพูดงึมๆขณะที่กินข้าวกันอยู่ ไม่รู้ว่าเสียงม้าใครเหมือนกันนะตาพี่ภุกพูดเขาเพิ่งจะพูดว่าเขาเองก็ได้ยินอย่างผมแล้วก็ยายมึงได้ยินเหรอยายถามจะได้ยินพี่พุกพูดแล้วก็ก้มหน้าเปิดข้าวทำไมท่านพระครูไม่ห้ามไอ้พวกมาปลุกผีซะหน่ายายว่าห้ามเดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์อะไรแล้วมันตื่นตัวซะแล้วตาพูดอ้ทิษฐานเนี่ยมันบ้ามันไม่คิดว่ามันเล่นกับไฟแล้วก็คนทั่วไปก็โกรธมันอยู่ ยิ่งฟังก็ยิ่งกังวลใจอยากจะกระอักออกมาด้วยความอึดอัดใจข่าวการปลูกผีได้กระจายไปทั่วทั่วบ้านใครมีม้าขี่แทบจะออกขายไปเลยเกรงที่ฐานจะคิดสงสัยว่าร่วมมือกับพวกที่ฆ่าทิดกล้าหากแต่หมู่บ้านเราไม่มีม้าขี่ค่อยสบายใจไปในบ่ายวันนั้นมีชายคนหนึ่งอายุราวๆห้าสิบกว่ามาถามหาตาแล้วก็ได้พบกันตาก็ชวนขึ้นเรือน ฉันได้ข่าวว่ามีการเส้นผีเตโหงกันที่วัดนี้เหรอข่าวว่าอรารวาดหนักฉันก็เลยย่องมาฟังข่าวดูว่าจริงหรือไม่จริงชายคนนั้นพูดกับตาและยายนี่พ่อหิงจะมาดูทําไมละ่ะตาถามก็อยากจะมาดูให้มันรู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเนี่ยฉันจะได้เอาไปใช้งานพอดีอยากจะเอาไปใช้งานที่บ้านฉั น, นอยากได้แต่หิงพูดทุกคนมองหน้าตะหิงกันทุกคนเป็นเรื่องแปลกหู แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินดังนั้นไอ้จริงน่ะจริงละแต่พ่อหิงจะเอามันไปได้เรึตาถามขึ้นอย่างสนใจแล้วก็มองหน้าคนที่ชื่อหิงผู้มีร่างกายผอมเกริงหัวงอกปราปลายถ้าจริงอย่างว่าเนี่ยฉันจะมาสะกดเอาไปเองตะหิงพูดโอ้ยพ่อคุณเอ้ยถ้าถ้าเอาไปได้เนี่ยแกก็เอาไปเถอะโอ้ยวุ่นวายจังเลยยายร้องบอกตะหิงออกไปเพื่อให้ตาหิงทราบโอ้ยต้องขอเวลาสักหน่อยละ แต่หิ่งพูดปากเคี้ยวหมากอย่างตรึกตรองว่าแต่มันอยู่หลุมไหนกันแน่ล่ะเดี๋ยวจะต้องขอดูสักหน่อยนึงอก็ป่าช้านี่แหละยายพูดดีละประเดี๋ยวจะย่องไปดูเหมาะท่าก็จะทําพิธีสักคืนนี้พรุ่งนี้จะได้กลับเลยแต่หิงพูดและชะโงกมองไปทางวัดมันฝังกันด้านไหนนะ้าอ๋อไม่รู้สิฉันก็ไม่ได้สนใจลองไปดูก็รู้นี่ปากหลุมจะต้องมีดอกไม้มีทูบมีเทียนผิดตาอยู่หรอกนะตาพูด งั้นฉันจะแอบดูก่อนนี่พ่อแม่ถ้าหากท่าทีมันยังไม่เหมาะก็ขอค้างอยู่ที่นี่สักคืนนึงเถอะแต่หิงว่าแล้วก็ขออาศัยเข้าสุขสักสองมื้อด้วยนะพูดแล้วก็หัวเราะตาเราก็หัวเราะเพราะเรื่องการกินการอยู่บ้านเราไม่ตกใจเลยผมดีใจนักถ้ามีคนดีมาเรียกไปซะได้จะได้หมดความกลัวสะทีมิฉะนั้นลวก็สบายใจเพียงกลางวันเท่านั้นพอตกค่มาก็หวาดเกรงไปตลอดคืน ต่หิงหายไปวัดสักครู่หนึ่งเดินกลับมาสั่นหัวอย่างท่าทางไม่สู้ดีแม้พ่อแม่พระที่วัดท่านตาขมึงเอาฉันเข้าพอเดินไปทางป่าช้าท่านเรียกพระมาอีกหลายองค์เดินตามฉันแล้วก็มีตะพดซะด้วยสิถ้าไม่เป็นการละแฮตาหิงพูดถ้าพระท่านจะคิดว่าพ่อหิงจะไปปลูกไปเส้นกระมังตาว่าเออน่าจะเป็นแบบนั้นแหละ เออเอาละเดี๋ยวยังไงขอค้างคืนสักคืนเถอะพรุ่งนี้พ่อแม้นช่วยไปบอกพระด้วยว่าฉันเนี่ยมาดีจะมาทําพิธีสะกดแล้วก็เรียกเอาไปไม่ได้มาทําให้วุ่นวายหรอกเอ้าเอาอยางงั้นก็เอาพรุ่งนี้จะไปหาท่านพระครูท่านรําคาญใจก็เลยควบคุมคนที่ไปก่อกวนผีตาว่าแล้วก็รู้สึกว่าแค่เห็นดีด้วยที่ตาหิงจะเอาพิธีเรียกวิญญาณของไอ้กล้าไปด้วย คืนนั้นเมื่อเสร็จอาหารแล้วผมก็ไม่ยอมจะอยู่ฟังเขาคุยกันให้กลัวเปล่าเปล่าก็รีบนอนเลยเขาคงคุยกันหลายทุ่มหน่อยผมหลับไปนานโขถ้าจะดึกแล้วผมตื่นขึ้นเห็นไฟดับหมดก็เลยเงียหูฟังเหตุการณ์ตามเคยเสียงต่างๆนอกเรือนมันช่างเงียบสงัดจริงและในครู่ต่อมานั่นเองเสียงหมาทางวัดก็หอนขึ้นโหยหวนผมใจเต้นรัวกโกรธตัวเองว่าดันตื่นขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ตื่นแล้วก็ต้องผจนกับเสียงที่ไม่เป็นมงคล ทางบ้านเรายังเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนอนใจระรัวเงี่ยหูฟังต่อไปแต่ในครู่นั้นเองเสียงฝีเท้าม้าก็ดังขึ้นที่ชายทุ่งหลังบ้านใกล้กับลำกระโดงปลาผ่านไปผ่านมานกแสกเจ้ากรรมก็บินร้องผ่านไปดังแท๊กเข้ากรีดหัวใจมาได้ถุนบ้านเราก็หอนรับโหยหวนขึ้นประดังกับเสียงที่ได้ยินทั้งทางที่เสียงหมากําลังหอนทอดยาวทอดสั้นอยู่ก็มีเสียงอะไรดังแท๊กขึ้นมา มันเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ร้องเรียกใครฝ่าเสียงหมาขึ้นผมสะท้านแล้วก็ร้องไห้เลยเสียงนั้นไม่ชัดว่าเป็นเสียงใครมันแหบแหบแห้ง ๆ, ๆมันดังอยู่้างล่างทางนอกชานหมายิ่งหอนกันใหญ่แน่แล้วมันมาจากหลุมในวัดผมสะดุ้งหัวใจว่าบเหมือนใจจะขาดและหยุดเต้นเพราะอยู่ๆพี่พุกกระโดดตัวเข้ามาชิดโดยไม่ทันรู้ตัวแต่พอรู้ว่าเป็นพี่พุกก็ค่อยคลายใจ แต่ว่าใจมันเต้นแรงเมื่อตอนต้นอย่างสุดขีดทำให้ซวงอกปวดเสียวไม่หยุดลงได้ง่ายๆผมก็เลยเบียดตัวเข้าชิดพี่พุกแน่นเลยมันเป็นคืนสำคัญในชีวิตของผมที่บ้านมาพโพเกือบสว่างจึงหลับลงอย่างอ่อนเพลียตาหิงหายไปในวัดสักครู่หนึ่งเดินกลับมาสั่นหัวอย่างท่าทางไม่สู้ดีนักแมเพระแม้นพระที่วัดท่านตาขมือเอาฉันเข้าพอเดินไปทางป่าช้านะ ท่านก็เรียกพระมาะอีกหลายองค์เดินตามฉันแล้วก็มีตะโพดมาซะด้วยสิถ้าไม่เป็นการละฮะตาหิงพูดถ้าพระท่านจะคิดว่าพ่อหิงจะไปปลูกไปเส้นกระมังตาว่าเออถ้าจะใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตะแม้นคืนนี้ฉันขอค้างสักคืนพรุ่งนี้พ่อแม้นช่วยไปบอกพระด้วยกันว่าฉันเนี่ยมาดีจะมาทําพิธีสะกดแล้วก็เรียกเอาไปจะได้ไม่ทําให้วุ่นวายเออ เอาอย่างงั้นก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาท่านพระครูท่านดำคานใจก็เลยควบคุมคนที่จะไปก่อกวนผีตาว่าและรู้สึกว่าแกก็คงจะเห็นดีด้วยที่ตะหิงจะทําพิธีเรียกเอาไปคืนนั้นเมื่อเสร็จอาหารแล้วผมไม่ยอมจะอยู่ฟังเขาคุยให้กลัวกันเปล่าๆก็เลยรีบนอนเขาก็ยังคงคุยกันหลายทุ่มหน่อยผมหลับไปนานโขถ้าจะดึกแล้วผมตื่นขึ้นก็เห็นไฟดับหมดก็เลยเงี่ยหูฟังเหตุการณ์ตามเคย เสียงต่างๆนอกเรือนมันช่างเงียบสงั ด, ดีและในครู่นั้นเองเสียงหม้าทั้งวัดก็หอนขึ้นโหยหวนผมใจเต้นรัวโกรธตัวเองว่าดันตื่นขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ตื่นแล้วก็ต้องผจนกับเสียงที่ไม่เป็นมงคลทางบ้านของเรายังเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนอนใจระรัวเงียหูฟังแต่ว่าในครู่นั้นเองเสียงฝีเท้าของม้าก็ดังขึ้นที่ชายทุ่งหลังบ้านใกล้ลาประดงปลาผ่านไปผ่านมา นกแสกเจ้ากรรมก็บินร้องผ่านไปดังแทกเข้ากรีดหัวใจมาใต้ถุนเราก็หอนรับโหยหวนขึ้นประดังกับเสียงที่ได้ยินทั้งทางที่เสียงหมากาลังหอนทอดยาวแล้วก็ทอดสั้นอยู่นั้นก็มีเสียงอะไรดังแทกขึ้นมันเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ร้องเรียกใครฝ่าเสียงหมาขึ้นมาผมสะท้านสั่นแล้วก็ร้องไห้เลย เสียงนั้นมันไม่ชัดว่าเป็นเสียงของใครมันแหบแหบแห้งๆมันดังอยู่ข้างล่างทางด้านนอกชานหมายิ่งหอนใหญ่แน่แล้วมันมาจากหลุมในวัดผมสะดุ้งตัวหัวใจว่าวเหมือนจะขาดใจและหยุดเต้นเพราะอยู่ๆพี่พุกก็กระตดตดวเข้ามาชิดโดยไม่ทันรู้ตัวแต่พอ ร, รู้ว่าเป็นพี่พุกก็ค่อยคลายใจแต่ว่าใจมันเต้นแรงเมื่อตอนต้นอย่างสุดขีดทาให้ซวงอกปวดเสียวไม่หยุดลงได้ง่าย ผมก็เลยเบียดตัวเข้าชิดพี่พุกแน่นเลยมันเป็นคืนสำคัญในชีวิตของผมที่บ้านมาพโปเกือบสว่างจึงได้หลับลงอย่างอ่อนเคลียผมตื่นขึ้นเห็นสีหน้าของทุกคนมีเขาไม่สบายใจหรือทุกใจกันทุกคนเขาก็คงผ่านเหตุการณ์เมื่อคืนกันทุกคนเมื่อคืนเนี่ยเองรู้ไหมยายกระซิบถามผมพี่พุกกำลังหิ้วน้ำใส่ในโอง่งก็เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ใครมันมาร้องเรียกนะยย พอผมเอ่ยเท่านี้ยายเอามืออุดปากผมเอง็งอย่าพูดอะไรสิวะตอบว่ารู้คำเดียวก็พอยายกำชับผมยังเด็ดขาดจ้ะฉันรู้หมดผมว่าพอแล้วยายว่าข้าเห็นจะต้องโจรไปอยู่บ้านไอ้โปะชั่วคราวแล้ววะโอโ้โหแย่เลยผมร้องออกมาเมื่อได้ยินว่ายายคิดจะหนียายก็ไปซะทางบ้านนี้ก็หมดความอบอุ่นลงไปอีกแกจะไปบ้านพี่ถนอมผมก็อยากจะไปด้วย แต่ที่นั่นผมก็ยังหวันนักเกียรติผมกลัวนักเกียรติเท่าๆกันกับกลัวทิดกลา้าเรื่องนักเกียรติยังไม่จบไปกี่วันผมจะทำยังไงกันล่ะเอตาเรากับตาหิงเนี่ยไปไหนกันวะยายถามฮกูละกลัวจริงๆเลยไปวัดกันละสิจะทำอะไรไงไม่ไปทำกันที่อื่นวะดันมายุ่งที่บ้านเราโอ้ยจะขาดใจตายซะให้ได้เมื่อคืนนี้ยายบน่นผมเห็นจริงตามยายพูด ถ้าแต่หิงไม่มาค้างที่นี่เรื่องก็คงไม่รุนแรงเท่าเมื่อคืนผมชักหนักใจเพิ่มขึ้นอีกซะแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรได้คืนนี้ต้องแย่อีกคืนจวนจะถึงเวลากินข้าวตาผมกับตะหิงก็กลับมาตะหิงซื้อเหล้าติดมือมาด้วยตะหิงแกกินแต่ตาเราไม่กินพอถึงนอกชาตตะหิงก็นั่งดื่มคนเดียวเมื่อคืนนี้มันท้าทายฉันตะหิงว่าแล้วหัวเราะเสียงครั้ น, นมีแววเหี้ยม ดีแล้วท่านพระครูท่านอนุญาตให้ทำได้คืนนี้ฉันจะลงมือทำการละฉันจะไปทำที่สาราป่าช้าเลยตลอดคืนฉันไม่มายุ่งทางบ้านนี้หรอกพอเสร็จงานฉันก็จะกลับไปเลยทีเดียวไม่แวะมาละลาละนะตะหิงพูดกับตาและยายผมเบาหัวอกมองดูยายก็เห็นหน้าตาแจ่มใสขึ้นพิพุกถอนหายใจเฮือกความจริงมันควรจะเป็นเช่นนั้นชั้นแรกเราคิดว่าตหิงจะมานุงนัวอยู่ที่บ้านเราอีก เราก็แย่เลยเท่าที่ติดกล้าเคยสําเดงเสียงอยู่ห่างๆบ้านก็จะกลายเข้ามาถึงในบ้านอย่างเมื่อคืนถ้าตะหิงยังคงนอนค้างที่นี่วันนั้นทั้งวันผมกับต่หิงคุยกันข้างนอกนอนพักผ่อนบ้างเพื่อออมกําลังไว้ตอนค่าพอตกบ่ายก็รีบกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วตะหิงก็เตรียมย่ามสะพายบ่าพลางล่ําลาตาและยายพวกเราทุกคนแล้วก็ลงจากบ้านบ่ายหน้าเข้าสู่วัดเราทั้งหมดถอนใจยาวส่งท้ายตะหิง่ง ภาวนาขอให้ตาหิงผู้วิเศษเอาวิญญาณทิดกล้าไปให้จงได้แล้วแวกเราจะได้มีความสุขสักทีกูสงสัยว่าตาพูดขึ้นลอยลอยไอ้ทิดหิงจะต้องดับจ้างใครมาทําการดังนี้ให้สะกดผีแต่โงไอ้กล้าจนสงบลงที่ไอ้ทิดหิงพูดว่ามันจะเอาผีร้ายไปไว้เองน่ะมันจะเอาไปสุมกระบาลอะไรกันดูมันยังไงยังไงอยู่แล้วทําไมไม่รู้มันถึงรู้ข่าวเร็วนักว่าเขาเส้นผีลูกปลูกผีนั่งกันที่นี่ บ้านมันอยู่ถึงทุ่งสามเรือนใกล้กันเมื่อไหร่ละ่ะดูทีท่ามันจะซับซ้อนยังไงยังไงอยู่นาตาพูดไปพลางเกาหัวไปเมื่อวานนี้ได้ยินแกพูดว่าแกอยากได้ผีแต่หงไปทำอะไรของแกพี่พุกพูดเป็นเชิงออกความเห็นบ้างไอพูดนะ่มันก็พูดไปอย่างนั้นละข้าก็สงสัยว่าที่ว่ามันจะเรียกเอาไปนะคงไม่เอาไปหรอกไอทิดหิ่งเนี่ยคงมาทาพิธีเพียงสะกดเอกล้าให้สงบลงกัเท่านั้น มันอาจจะเกิดกลัวเกรงแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าถ้าไอ้กล้าขึ้นมาอารวาสก็จะรู้ว่าใครทําร้ายมันถึงตายเขาก็เลยอาจจะคิดให้ไอ้ทิดหิงเนี่ยมันมาสะกดซะเพื่อเรื่องจะได้เงียบไอ้ทิดหิงจะเอาผีเตหงไปสุมกบาลมันทำไมในสมัยนี้ตาว่าแล้วก็มวลบุรี่สุบพวกเราฟังเหตุผลของตาก็ดูจะเข้าทา่าอาจจะเป็นจริงตามนั้นก็ได้จริงทีเดียวใครจะทําอะไรร้ายๆไว้ก็ย่อมต้องการให้เรื่องเงียบ ถ้ามีการเส้นผีกันเรื่องมันอาจจะแดงขึ้นไอเรื่องกลัวทางค่ากันน่ะฝ่ายเจ้าที่แอบทำร้ายหากลัวทางทิศกล้าไม่แต่ว่ากลัวอาญาบ้านเมืองมากกว่าทั้งเงียบเหมือนความมืดเรื่องมันก็จางหายไปแต่จะว่าอย่างไรก็ตามทางบ้านเราพอตกค่ำลงมาก็ขึ้นบ้านกันหมดแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเงียบไปทางบ้านคืนนี้คุยกันบ้างนิดหน่อย ความเงียบมันช่างปกคลุมหมู่บ้านเราจริงๆจิ้งหรีดเท่านั้นที่ยังมีเสียงอยู่ตามพื้นนานอกนั้นไม่มีเสียงอะไรเสียงหมูเสียงหมาพลอยเงียบไปด้วยอย่างประหลาดตาหิงเป็นผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงตามที่แกพูดพอเราจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงพระมากองค์สวดมนต์บทไล่ผีดังลอยมาดูจะเป็นพระทั้งวัดก็ไม่รู้เสียงดังเหลือเกินพระท่านลงมือร่วมกับไอ้ทิดหิงแน่ๆตาพูดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงดังนั้น ผมนอนฟังเหตุการ์ไปจนดึกเสียงพระก็ได้เงียบไปแล้วก็รู้สึกว่าสงบจริงๆม้าไม่หอนนกแสกไม่ร้องสงบอย่างน่าชื่นใจผมรู้สึกสบายแล้วก็หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอเช้าตื่นมาเท่านั้นท่านผู้อ่านที่เคารพเหตุการ์มันได้เกิดขึ้นอีกราวกับฟ้าผ่าลงมาอย่างกำปนาดมีเสียงคนจดจันกันว่ามีคนนอนตายอยู่บนศาลาป่าช้าตาผมแล้วก็ลุงโนดอยู่ไม่ได้รีบเพ่นไปที่วัด ตอนสายหน่อยลุงโนดกลับมาคนเดียวร้องบอกพวกเราว่าตะหิงนอนตายอยู่บนศาลามีรอยบาดแผลถูกของแข็งแล้วก็ของหนักตีตามตัวน่่มไปหมดหน้าตาเละเทะเพราะว่าโดนตีโอ้ยคุณพระช่วยแล้วยังไงกันล่ะเนี่ยยายรอ้องอานิจจังเมื่อคืนวานก็ยังนอนอยู่บ้านเรานี่เองเออกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็กำลังพิสูจนศพกันอยู่ลุงโนดว่าใครมันมาฆ่าล่ะ ยายถามเสียงสัน่นไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าพวกที่มาฆ่านี่มันหลายคนก็รุมตีตะหิงลุงโนดพูดลมหนาวสะท้านเลยดูเถิดเกิดเหตุจะสงบลงแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้ทั้งน่ากลัวอันตรายแล้วก็พูดผีกําลังที่เรากําลังพูดกันพอดีตาก็กลับมาพวกเราต่างเซ็งแส่ถามเรื่องกันตาสั่นหัวหน้าตาบอกไม่สบายใจพูดไปมันก็เรื่องเดาว่ะตาพูด ข้าก็นึกว่าไอ้หิงเนี่ยหาเคราะใส่ตัวมันต้องรับจ้างฝ่ายโน้นมาทําการไอ้ฝ่ายนี้ไม่พอใจในการกระทําก็เลยมาฆ่ามันซะมันฉลาดฆ่าไม่ใช้ปืนมันกลัวพระแล้วก็ชาวบ้านจะได้ยินเสียงสาลาที่ไอ้หิงนั่งเข้าพิธีเนี่ยมันก็ห่างกับพระที่อยู่ในป่าช้าไอ้พวกนั้นมันก็รุมกันอย่างสบายไปกูก็นึกว่าไปเห็นตัวคนร้ายนะแต่พูดไปปากมันจะเป็นภัยทุกทาง กูสงสัยเหลือเกินเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยกูเดินไปวัดกับไอ้หิงมันก็ไม่รู้ว่าไปเจอใครแปลกหน้าสองคนยืนมองเราที่นอกวัดมันเห็นกูกับไอ้หิงขึ้นกุฏิท่านพระครูครั้นขากลับมาก็ไม่เห็นไอ้สองคนนั่นซะแล้วมันก็คงหลบตัวอยู่แถววัดนั่นแหละตาพูดผมฟังตาพูดก็มองเรื่องออกโปร่งเวรกรรมอะไรอะไรมันก็จะมาลงที่บ้านเราตาหิงเองแกก็มาขออาศัยอยู่ที่บ้านเราเส้นหนึ่งคืน ตาของเราก็ร่วมไปวัดกับตาหิงก็เท่ากับร่วมในพิธีสะกัดวิญญาณไอทิดกล้าด้วยตะหิงมาบ้านเรนี้เท่ากับเป็นทูตมรณะแห่งบ้านเราทั้งคนและก็ผีจะบุกบ้านเราอย่างไรบ้างอา้าวแล้วศพไอทิดหิงละ่ะจะว่ายังไงยายถามตานั่นก็แล้วแต่ทางกำนันแล้วก็ทางวัดจะจัดการกันละเราไม่ไปยุ่งเราทําอะไรก็ไม่ได้มันจะเป็นส่วนตัวในการสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายอ้หิงภัยมันจะมาสู้ ตาว่าพวกเราฟังแล้วก็ตาวาวไปตามกันเรื่องมันก็มีอีกนะคือมันจบลงยากเหมือนกันทางอำเภอคงจะมาสอบสวนทางบ้านเราเองในฐานที่ไอ้หิงมาบ้านเราแล้วก็ค่าเองเนี่ยก็พาไอ้หิงไปวัดพยานมันมีรู้เห็นแต่นั่นแหละว่าเราก็ถือเอาอย่างพระเราไม่ผิดอะไรจะไปกลัวทำไมล่ะความจริงมันก็มีอยู่ก็ว่าไปตามความจริงกันตาพูด อันนี้จังเมื่อวานมันก็ยังคุยกับพวกเราอยู่กันนะแล้วก็ยังนอนอยู่ที่นี่ไม่น่าเลยแต่หิงเอ้ยยายพูดอย่างอ่อนใจส่วนผมยิ่งอ่อนใจไปกว่ายายเป็นไหนๆ เ, เรื่องสู้รบกันนะ่ะถ้าจาเป็นมันก็ต้องสู้แต่เป็นเด็กเลือดสู้ก็ยังมีกูไม่รู้เรื่องอะไรกับมึงเมื่อมึงจะผ่านระรานมาก็ทำยังไงได้ตาของเราเป็นคนเก่าเคยผ่านดีผ่านร้ายมาเหมือนกัน ส่วนพวกเจ้าหานตาก็รู้จักกันดีอยู่เอาก็เอากันถ้าเอากันแค่หมัดหมัดมวยๆไม่เกี่ยวกับปืนผ่าหน้าไม้มาแอบยิงถ้าประกันซึ่งซึ่งหน้าไอ้ผมนี่แม้แต่อายุน้อยก็มีกำลังขนาดควายได้เหมือนกันกลัวมันจะไม่เอากับเราแบบนี้นักเลงมากเท่าไหร่ยิ่งขี้คลาดจะหาแต่ทางได้เปรียบเผลอก็เอามึงสละมากยิงเอาแล้วก็หนีไปทีนี้มาพูดกันเรื่องผีนะสิร้ายกาศกว่าเป็นไหนไหนแต่หิงมาตายซะ ไอ้ทิดกล้าก็ผุดขึ้นจากหลุมอีกและมันก็จะมาขี่ม้ารอบๆบบ้านของเราอีกไอ้ทิดกล้าเนี่ยมันจะมาขี่ม้าอีกนะสิผมพูดขึ้นลอยลอยทุกคนเหลียวดูแล้วก็เห็นอย่างผมด้วยตาจ๊ะยังไงฉันขอปืนสักกระบอกเถอะนะมันขี่ม้ามาเวียนอีกฉันจะได้ยิงมันเลยผมพูดอย่างมีโกรธหน่อยหน่อยตาหันมองดูผมแล้วก็ถุยน้าลายลูกปืนมันแพงเว้ยปะเหมาะไปยิงถูกคนเข้าก็ติดคุก ตาว่าผมก็หมดประตูจะพูดก็เลยนิ่งเงียบคิดอะไรฟุ้งซ่านไปคนเดียว